บทที่หนึ่งยสัมภาระทั้งหมดของกองว่ายยังที่พักเมื่อคืนทั้งคณะส2องคนบัดนี้คงมีแต่ปืนและกระสุนเต็มอัตราสึกเท่านั้นสาหรับศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนอนขวางทางรอยอยู่เบื้องหน้าฝ่ายของพรานใหญ่อันประกอบด้วยแอซายและเชดิดารวมสามคนแตดแยกออกด้านซ้ายในขณะที่ฝ่ายของชัยยันกับที่เหลือทั้งหมดอีก8ดคนมุ่งอ้อมไปด้านขวา ลักษณะของการเดินจะโอบเป็นปีกเพื่อมุ่งเข้าไปสู่ปลายทางเดียวกันคือช่องเขาขาดที่ไอมหายักษ์ไทรันโนสอรัสนอนคุ้มเชิงขวางเป็นนายทวารดักอยู่ก็จะปละห่างกันออกไปดารินก้าวสวบเข้ามายืนดักหน้าพรานใหญ่กะแงซทรายสายตาของหล่อนที่แลมาเต็มไปได้วยความกังวลแน่ใจร้อเอร์็นเต็มไหมว่าจะไม่เกิดอาการหนาวสั่นขึ้นอีกระพินยิ้มให้ ถ้าสั่นคราวนี้ก็คงสั่นเพราะความกลัวแล้วครับคุณหญิงคงไม่สั่นเพราะโรคเก่าแล้วครับเพราะในประวัติการป่วยของผมนะ่ะไม่เคยมีอาการติดติดกันในระยะไล่เลี่ยงถ้าเป็นทีนึงแล้วก็วางใจไปได้ว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ใกล้เคียงกันหรอกครับจนกว่าจะถึงรอบของมันดารินรอบถอนใจคราวนี้มองไปทางพี่ชายพี่ใหญ่คะระวังเรื่องขายมากๆะคะ่ะ พี่ชายกรากเข้ามาโอบกอดน้องสาวไว้หัวเราะกว้างๆขณะที่ตบไหลหนักหน่วงด้วยความรักใคร่เอ็นดูวังใจน้อยพี่พยายามระวังจุดอ่อนของตัวเองให้ดีที่สุดน้อยก็เหมือนกันรักษาตัวให้ดีนะอย่าเสียสติเมื่อเหตุคับขันจริงๆมาถึงแล้วก็ยิงล่อรังควานมันไว้พยายามยิงให้ได้ผลด้วยตาขวามันยังอยู่อีกข้างนึงถ้าดับตะเกียงข้างนั้นได้อีก เราก็จะโค่นมันได้ง่ายขึ้นแงซายครับนายหญิงฝากนายใหญ่ด้วยนะนั่นเป็นประโยคสุดท้ายสำหรับดาริง่งก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกพวกห่างกันออกไปความจริงนักมนุษยวิทยาสาวยังรีรอห่วงหน้าห่วงหลังอยู่แต่มาเรียปราดเข้ามาลากแขนกระซิบว่านี่น้อยอย่าโมโหงให้เสียเวลาอยู่เลย สคนที่เธอห่วงใยเขาใช่นักหนาเหล่านั้นน่ะก็มือชั้นยอดทั้งนั้นนะรวมทั้งพี่ชายของเธอเองด้วยถึงยังไงเขาก็เอาตัวรอดได้วรนย่ำค่ำละพวกเราเก้าคนฝ่ายนี้สิอาการหนักน่าชมเราน่ยจะต้องล่อใหมันพุ่งเข้าใส่ขณะที่มันรุกไล่ฝ่ายเราถ้าหากสามคนนั้นยิงธนูไม่ทันหรือไม่ได้ผลเราก็แหลกแน่อไปกันเถอะทั้งสองฝ่ายที่แยกกันออกไปตาจับอยู่ที่เป้าหมายรวมจุดเดียวกัน แล้วก็ค่อยๆคืคบหน้าเข้าไปเป็นลำดับตามทิศทางของแต่ละฝ่ายชายันเข้าใจแผนดีอยู่แล้วเส้นทางของเขาที่จะนำพักพวกอีกแปดคนในบังคับบัญชามุ่งเข้าไปนั้นเกือบจะเป็นที่กำบังตนเวลาฉุกเฉินจวนตัวเท่านั้นแต่ฝ่ายของเชษฐาและรพินจะต้องอ้อมไกลกว่านั้นเพราะต้องเข้าให้ถึงตีนเขาทางด้านตะวันตกก่อนโดยให้พ้นจากสายตาเหลือบเห็นของอยักษ ต่อจากนั้นจึงจะค่อยๆย่ อ, ยยองหลบที่กีดขวางอัมพรางตาเข้าไปซุ่มอยู่ในหมหินริมปากทางดังเช่นที่กำหนดหมายตาไว้แล้วดังนั้นชัยยันจึงนาพวกทุกคนเดินไปอย่างช้าๆถ่งเวลารอให้เชิฐารพินและแง่สายเข้าซุ่มพร้อมในที่หมายซะก่อนในลักษณะที่แยกกันออกไปคนละทิศไปโอบเป็นปีกา ทั้งสองฝ่ายสามารถมองเห็นกันได้และติดต่อกันโดยสัญญาณมือกลุ่มของเช ย, ยันเดินเกาะหมู่กันไปด้วยอาการปกติและสนทนากันเบาๆเพื่อให้ลักษณะการเดินทางก็ดีเสียงพูดก็ดีแววไปเป็นจุดสนใจและคอยสังเกตของไอยักษ์ซึ่งบัดนี้ยังหมอบนิ่งไม่ติงกายแม้แต่น้อยและดูประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฉนั้นส่วนทางฝ่ายเชิฐาชั่วไม่กี่อึดใจใหญ่ต่อมา เงาของบุคคลทั้งสามก็เริ่มจะถูกบดบังอยู่ในหมู่หินและพื้นบริเวณลุ่มลุ่มดันดอนเป็นลอนคลื่นของภูมิประเทศใกล้ติดเขาฟากตะวันตกตะวันสายเริ่มส่องแสงกล้าขึ้นทุกขณะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดกับสายตาซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งของฝ่ายมนุษย์ใกล้เข้าไปและใกล้เข้าไปตามลาดับอย่างแช่มช้า ภายใต้การนำแฝงกายเลาะลัดโดยพรานใหญ่ไม่ช้าก็เข้าถึงตีนเขาด้านคล้อยต่ำลงมาจากระดับที่เจ้าเหียโบราณดักคุมเชิงอยู่ค่อยๆเข้าซุ่มกำบงังไปตามแนวหินโผล ร, ระเกะระกะเหล่านั้นเพื่อคืบเข้าให้ถึงที่มัน่นอันหมายตากำหนดไว้แล้วอย่างเงียบกริบมันเป็นฝ่ายตามล่าเรามานานแล้วตลอดเวลา เรามีแต่จะหนีหนียังหัวสุกหัวสุนแต่คราวนี้เราจะล่ามันบ้างล้วท่านหัวหน้าคณะกระซิบลอดไรฟันออกมาขณะที่กรมไรเฟิลจุดสี่หกศูนกระชับแน่นอยู่ในมือทั้งสองระหว่างนั้นสามคนหมอบซุ่มเข้ามาบังอยู่หลังแนวก้อนหินสังเกตไปยังเป้าหมายเพื่อสำรวจท่าทีชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเคลื่อนต่อจอมพลนไม่ตอบเช่นไร แต่หันมายิ้มกล้านๆ น, นิดนึงและเชษฐาก็ย่อมตระหนักได้อย่างดีที่สุดจากทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเขาว่าหนะบัตนี้วิญญาณแห่งการเป็นยอดนักล่าของเขาได้กลับคืนมาสิงสถิตอยู่ในทุกเส้นเลือดแล้วภายหลังจากที่มันได้เศราสงบแฝงเงาซ่อนเร้นอยู่เป็นเวลานานตลอดระยะเวลาช่วงหลังซึ่งทำหน้าที่ในด้านการมุ่งนำทางอย่างเดียวและแน่ละ หลวงธพรานใหญ่ระพินไทรวันพร้อมแล้วที่จะล่าก็ย่อมเป็นที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสัพพดิรฉานจะตุบทวิบาตใดๆในพิพบโลกนี้รอดพ้นไปได้ณนะที่ที่ทั้งสามคนมาเร้นกายซุ่มดูเพื่อหาทางคืบหน้าต่อไปสามารถจะมองเห็นที่หมายตำแหน่งนอนหมอบพักตัวอยู่บนชะง่อนหินริมทางของช่องเขาได้ถนัดที่สุดไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องต่ำ ระดับพื้นด้านล่างซึ่งมีลักษณะเป็นหลอนคลื่นนั้นต่างเห็นร่างกายอันใหญ่โตบางส่วนของซากสัตว์ตายชนิดหนึ่งโผล่ล้ำขึ้นมามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากครคโคดอนหรือที่ดารินเรียกว่าเป็ดไดโนเสาร์เคราะร้ายคู่นั้นนั่นเองเจ้าแรงใหญ่ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้ฝ่ายมนุษย์ยึดเป็นที่หมายสังเกตเตือนภัยได้อย่างดีนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนหากแต่แทนที่จะบินว่อนอยู่บนอากาศ เหมือนเช่นที่เคยเห็นอยู่เช่นนี้ทุกครั้งปรากฏว่ามันลงมาเกาะจับจิกกินซากทรัโคโคดอนเบื้องล่างมันไม่ผิดหวังเหมือนกันในการอุตสาบินตามไอยักษ์อยู่เพื่อหวังอาหารอันหมายถึงการล้มตายของชีวิตหนึ่งถ้าไม่จากเหยื่อของไอยักษ์ใหญ่ก็อาจเป็นตัวไอยักษ์เองแล้วก็เป็นผลดีของฝ่ายมนุษย์อย่างยิ่งที่จะอาศัยมันเป็นที่สังเกต เพื่อรู้ตำแหน่งของมหาศัตรูเจ้าพิภพแม้จะอยู่ในระยะไกลโดยไม่ต้องนัดแนะหรือกล่าวเตือนกันเลยรพินกับเงซายตรวจทางลมเฉษฐาผู้พยายามจะใช้สายตาจับสังเกตเพื่อทราบความในเองโดยไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากถามคำใดอันเป็นนิสัยประจาของเขาก็เลยเห็นเขาอึกอักลังเลใจจากบุคคลทั้งสองสาหรับลานใหญ่ ยืนสงบนิ่งอยู่กับที่อาการเหมือนจะใช้ประโยชน์จากเซนทุกส่วนในสมองแล้วหันไปมองดูฝ่ายของชายันซึ่งพากันเดินเกาะมูอยู่ลิปลปิอีกฝากหนึ่งของพื้นที่โลกส่วนแงาทายก็กรอกกลิ้งตาอันคมกริบไปรอบด้านเหมือนจะค้นหาลู่ทางที่เหมาะสมที่สุดตำแหน่งมูหินที่กะการไว้ว่าจะเข้าไปแอปซุ่มยึดเป็นที่มั่นดักยิงก็เลยเห็นอยู่เบื้องหน้าห่างไม่เกินสี่รอเมตรนี่อีก ตลอดแนวทางที่จะเข้าไปถึงที่นั่นก็ล้วนมีที่กำบังตาอย่างดีแต่พรานใหญ่มีอาการเหมือนจะไม่เหมาะใจอะไรบางอย่างมีอะไรเป็นปัญหาเหรอภูมิประเทศเข้าข้างเราจริงครับแต่ลมสิครับกลับไปเข้าข้างมันเราอยู่เหนือลมเหรอครับจอมพรานตอบแผ่วเบาแม้มริมฝีปากนิดนึง ตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นักหรอกครับพระลมพัดไปทางด้านผนังของพืชเขาแต่ถ้าเราย้ายไปซุ่มอยู่ตรงโมูหินโนนเมื่อไหร่มันจะได้ขลิ่นเราอย่างถนัดที่สุดครับเพราะโมหินนั่นอยู่ในแนวทางเดียวกับช่องเขาและลมพัดจากที่โล่งฝากนี้ผ่านช่องเขาไปทางฝากโนนยากมากครับที่เราจะเข้าไปซุ่มอยู่ที่นั่นโดยไม่ให้มันรู้ตัวได้อย่างที่หวังไว้ ถ้างั้นแผนเดิมของเราก็คงจะไม่เข้าท่าเสีแล้วสิพวกนั้นยังเดินกันอยู่ลิบๆนั่นคงจะเจตนาถ่วงเวลารอให้เราเข้าไปซุ่มอยู่ที่หินหมูนั้นก่อนแล้วถึงจะเคลื่อนใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราเข้าไปถึงที่หมายแล้วไอ้เยียบโบราณนั้นได้กลิ่นพวดพรากลงมาเล่นงานเราซะก่อนแผนการทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีก็นี่แหละครับผมถึงกาลังคิดอยู่เนี่ยว่าเราจะแก้ไขกันยั ง, ยงไง ถ้าเราเข้าไปถึงที่นั่นก่อนในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สอดคล้องกันได้อย่างที่หมายไว้แต่แรกผมเชื่อว่าถ้ามันได้กลิ่นเราซะก่อนมันก็จะต้องพุ่งเข้าใส่ทันทีตอนนี้ลมก็แรงซะด้วยสิครับจริงอย่างที่พรานใหญ่บอกกระแสลมค่อนข้างพัดแรงพัดอยู่เป็นระยะสม่ำเสมอจากใต้ขึ้นสู่ด้านเหนือเสียงลมผ่านช่องเขาที่ไอยักษ์หมอบคุมเชิงคอยท่าอยู่ ดังวีตลอดเวลาฟังแล้วแสบลึกเข้าไปในหัวใจยังไงบอกไม่ถูกราวกับจะเป็นเสียงดนตรีของพญามัจจุราชที่บรรเลงขับกล่อมอยู่เบื้องหน้าระหว่างที่ระพินกับแงซรายยังยืนนิ่งอยู่เชถาควักกล้องส่องทางไกลออกมาสำรวจอีกครั้งระยะที่ใกล้เข้ามาเพียงครึ่งกิโลเมตรในมุมเฉียงกับปากทางช่องเขาท่านหัวหน้าคณะสามารถจะมองเห็นเจ้าเขียโบราณ คู่เวรคู่กรรมอย่างถนัดชัดเจนที่สุดมันพักตัวอยู่บนชะงอนใหญ่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งหมอบเกาะขาอันสั้นกุดด้านหน้าทั้งสองไว้กับแง่หินที่สูงขึ้นไปวางลำตัวนั่งอยู่บนลานหินด้านล่างและปล่อยหางอวบใหญ่มาคือมาให้ทอดไปกับพื้นเบื้องล่างมีส่วนปลายห้อยตกอยู่จากเลนขยายอันมีคุณภาพสูงของกล้องสามารถจะเห็นได้ชัดแม้แต่ริ้วรอยย่นครุขระ หน้าเกลียดของผิวหนังตลอดทั้งตัวขึ้นไปจนกระทั่งส่วนศีรษะตอนบนซึ่งถูกก้อนหินที่ยื่นโผล่ล้ำออกมาก้อนหนึ่งบังมุมไว้สังเกตเห็นได้ด้วยความรอบคอบของเชษฐถาก็คือลักษณะท่าทางที่มันหมอบอยู่โดยหันข้างของลำตัวซีกขวาออกมาทางด้านใต้หรือด้านที่ฝ่ายมนุษย์กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาในขณะนี้แสดงว่ามันระวังเตรียมพร้อมโดยใช้ตาด้านขวาซึ่งยังดีอยู่ คอยเฝ้าจับมองเพราะตาซ้ายนั้นบอดพิการไปเสแล้วสอเจตนาชัดถึงแผนการร้ายที่มีอยู่ในสัญชาตญาณพยาบาทจองล้างของมันในขณะนี้และก็ไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ว่าบัดนี้กลุ่มของชา ย, ยันที่พากันเดินเกาะมูตรงเข้ามาด้วยหางลิฟ์ออกไปร่วมสองกิโลเมตรนั้นจะเข้าไปปรากฏในเลนแก้วตาของมันแล้วหรือไม่หันกล้องไปยังกลุ่มของช ย, ยัน ก็เห็นด้วยความกระวนกระวายใจว่าพรรคพวกฝ่ายนั้นทั้งเกคนยังเดินทอดน่องกันเข้ามาอย่างไม่เป็นระเบียบนักโดยมีขคยินกระบุญคํานําอยู่เบื้องหน้าชายันดารินและมาเรียรวมกลุ่มตามมาเบื้องหลังในระยะใกล้พร้อมกับสางตาและพรานพื้นเมืองอีกสามคนของรพินคนเหล่านั้นมองด้วยตาเปล่ามือนจุดที่เคลื่อนที่ได้แต่มองผ่านกล้องก็เห็นถนัดพอสมควร ว่าเดินกันไปพลางแกล้งผู้จาส่งเสียงเอะอะกันไปพลางตามแผนซึ่งกําหนดไว้และคงจะนานทีเดียวกว่าจะเข้าถึงจุดหมายสุดท้ายขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็คงหารู้ไม่ว่าบัตรนี้ฝ่ายของเชิดถากํากลังเผชิญกับปัญหาเช่นไรซึ่งกําลังจะทําให้แผนเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปซะแล้วคุณเชื่อว่าระบบขานาประสาทของมันจะเฉียบไวสามารถได้กลิ่นเล่าหรอือถ้าเราเข้าไปซุ่มที่หินหมู่นั้นน่ะ ในที่สุดเชษฐาก็พยายามจะคว่างความเห็นของระพินเพื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แน่นอนลงไปแต่เดิมนะครับเราคิดกันไว้ว่าจมูกของมันไม่น่าจะไวต่อกลิ่นนักแต่จากเหตุการณ์ที่เคยปรากฏมาแล้วมันทําให้ระวางใจเช่นนั้นไม่ได้นะครับตอนที่มันไล่พวกเราเมื่อสาวันก่อนนะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีที่สุดขณะที่มันอยู่ตรงหนองน้ํากลางป่าหินมันไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเราล่วงหน้ามาก่อนมัน แต่แล้วพอลมหวนพัดจากเราไปทางมันเท่านั้นมันก็บุกตามไล่ตามกลิ่นเข้ามาได้อย่างแม่นยำนม่แสดงให้เห็นว่าจมูก ข, ของมันใช้การได้ดีพอสมควรทีเดียวและระยะห่างจากหินหมูนั้นไปยังที่มันนอนหมอบอยู่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนักมีหนัำซ้ำยังไม่มีอะไรกําบังขวางกั้นอยู่ทั้งสิน้นลมพัดแรงแล้วก็พัดเป็นแนวตรงไปหามันมันจะต้องได้กลิ่นเราอย่างแน่นอนที่สุดเว้นไว้แต่ ยังไงอารพินเราจะเสี่ยงเลยครับโดยไม่ต้องสนใจรอฝ่ายของคุณชัยยันเราจะพุ่งตรงไปที่หินหมูนั่นเดี๋ยวนี้ทันทีเมื่อมันได้กลิ่นของเราก็ให้ใช้เป็นเครื่องล่อเรียกให้มันพุ่งเข้ามาฟาดกับมันซึ่งซึ่งหน้าโดยไม่ต้องให้ฝ่ายคุณชัยยันมาถึงแล้วร่วมด้วยตามแผนเดิมเชิดถาสันศีสะัะไม่เหมาะแน่จะยังไงก็ตามวิธีปลอดภัยดีงามที่สุดก็คือเราจะต้องให้ฝ่ายเราพวกนน้น เข้าถึงจุดหมายตามที่ตกลงกันไว้ก่อนให้มันไล่พวกโนนและเราดักยิงสกัดดีกว่าที่จะให้มันสนใจพุ่งเข้ามาหาเราโดยตรงแต่เราไม่สามารถจะเข้าไปถึงก้อนหินโน้นได้โดยมันไม่รู้ตัวนะครับในายใหญ่ไงาซายเอ่ยห้าวห้าขึ้นเป็นประโยคแรกก็ช่วยกันคิดสิว่าเราจะเอายังไงต้องรอบคอบที่สุดอย่างน้อยเราก็จะต้องเป็นฝ่ายทวงเวลาคอยพวกโนน จนกว่าเขาจะใกล้เข้ามาจนได้ระยะให้มันเห็นและไล่ซึ่งเราจะถือว่าโอกาสในเวลาเดียวกันนั้นพุ่งเข้าไปที่หินหมู่นั้นระยะเวลามันจะได้สอดคล้องประสานกันได้ทันทีเมื่อมันเห็นพวกนั้นและมันได้กลิ่นเราพร้อมๆกันก็ไม่แปลกอะไรชายันจะต้องมีอุบายหาทางล่อให้มันไปนสนใจฝ่ายเขาและลุกล่าทางด้านนั้นไปมากกว่าที่จะปล่อยให้มันมาพะวงดมกลิ่นตามมาที่เรามันควรจะเชื่อประสาทตาที่มองเห็นอยู่ชัดๆ ในระยะใกล้มากกว่าที่จะคลํำก็ามาหาฝ่ายเราทางกลิ่นปัญหาตอนนี้มันก็มีอยู่ว่าเราจะติดต่อส่งข่าวให้พวกนั้นรู้ได้ยังไงเท่านั้นว่าแผนของเราน่ะจําเป็นต้องเปลี่ยนไปแล้วมิฉะนั้นพวกนั้นก็จะไม่รู้เรื่องแล้วมัวคอยเราอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรเราจะเข้าไปยึดที่มั่นตรงนั้นพระตกลงกันไว้แต่แรกว่าพวกเขาจะเข้าไปล่อก็ต่อเมื่อเราเข้าประจําที่มั่นแล้ว ภายหลังจากใช้ความคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งรพินก็ถามว่าคุณชัยันมีความรู้ในทางสัญญาณหรือรหัสระบบมอร์สบ้างไหมครับเฉษฐาลืมตากว้างขึ้นอย่างได้ความคิดตอบไปเร็วว่าต้องรู้แน่ชัยันก็เคยอบรมในหน่วยสื่อสารมาก่อนว่าแต่คุณจะใช้อะไรเป็นเครื่องส่งสัญญาณล่ะพรานใหญ่ไม่ตอบแต่วางไรเฟิลประจํามือพิงไว้กับโคลนหิน ตัวเองค่อยๆไต่ขึ้นบนยอดสูงของหินหมูนั้นแล้วล้วงย่ามหลังดึงเอากระจกลักษณะวงกลมรูปไข่ขนาดเล็กออกมาทันทีทางด้านชยันนั้นทุกคนเกาะหมูกันเดินเข้าหาจุดหมายตามนับแนะอย่างไม่เร่งร้อนอะไรนักดวงตาทุกคู่นอกจากจะจับสังเกตไปยังไอ้ยักษ์ที่นอนขวางปากทางอยู่แล้วยังคอยสำรวจไปยังท่าทีการเคลื่อนไหวของฝ่ายเชฐิฐ้าตลอดเวลาเช่นกัน แล้วมาเรียผู้มีประสาทสัมผัสอันคมไวที่สุดก็รู้สึกได้ต่อความผิดปกติบางประการหล่อนเดินไปพลางก็จ้องดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามคนนั่นไปพลางในที่สุดก็ขมวดคิ้วย่างเอะใจไอ้พี่ใหญ่ก็สองคนนั่นทำไมถึงได้ไปหยุดอยู่ที่ทิวหินน น, นานเกินไปนักนะเขาควรจะเคลื่อนเข้าไปยึดตรงหมู่หินที่กาหนดกันไว้ได้แล้วระยะมันก็ห่างแค่นั้นเอง ชัยยันกะดารินหันขวับไปมองตามใน ท, ทันทีและพบได้กับจุดสะดุดใจนั้นตามที่แมวสาวตั้งข้อสังเกตจริงด้วยสิชัยยันสามคนนั้นไป ร, รออะไรอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเกิด อ, อะไรขึ้นกระมรังดาลินพูดโดยเร็วอย่างร้อนใจทั้งคณะเก้าคนของชัยยันก็หยุดชะงักลงใน ท, ทันทีอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งบัดนี้มีกล้องทางไกลคล้องติดอยู่กับคอตลอดเวลา ยกกล้องขึ้นส่องดูเห็นสหายราชสกุลของเขาพรานใหญ่และแงาทรายยืนรวมกลุ่มกำบังอยู่หลังแนวหินคล้ายๆจะหาหรืออะไรกันอยู่เอ้ก็ไม่น่าจะเกิดอุปัทเธอเหตุอะไรขึ้นเลยน่ะเนี่ยทั้งเชิท้าและรพินก็ท่าทางเป็นปกติดีนี่แต่ดูเหมือนจะพูดอะไรกันอยู่นะแล้วชัยยันก็ดีดนิ้วเรียกบุญคำกับขยินซึ่งยังเดินล้ำไปเบื้องหน้า ให้กลับเข้ามารวมกลุ่มทันทีและบอกให้ทราบถึงท่าทีผิดสังเกตของพรานใหญ่กับพวกไหนขอกล้องให้บุญคำหน่อยสินายทหารตาพรานเท่าขามินมองตามและแบมือไปทางชายันเขารีบส่องกล้องให้ดยเร็วบุญคำรับมาส่องอย่างทีท่วนและกราดสำรวจไปในละแวกใกล้เคียงแถบนั้นอย่างต้องการอ่านเหตุการณ์แล้วแกก็ทาหน้าพิกลยกมือขึ้นเกาหัวกรากา ก, ากคางออกมาอ่อย มันจะไม่ดีซะแล้วหลักนายทหารทำไมมีอะไรเหรอสามคนของฝ่ายนายจ้างที่รอฟังความเห็นจากแกอยู่ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันบุญคำทายว่าที่สามคนไปหยุดชะงักกันอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นเพราะเรื่องทางลมแ่พูดพร้อมกันเหงื่หน้ามองทองฟ้าโล่ ง, ลงทั่วไปราวกับจะมองเห็นทิศทางพัดของลมฉะนั้นลมพัดจากใตย้ย้อนไปทางเหนือ ผ่านจากหมูหินนั่นตรงไปยังปากทางช่องเขาขาดที่ไอ้ยักษ์มันนอนขวางอยู่ท่านใหญ่กระเงีสายคงเห็นแล้วละว่าถ้าย้ายจากที่นั่นเข้าไปยึดหมูหินตรงโ น, น้นมันจะต้องกระสากลิ่นทันทีคงเป็นเพราะเหตุนี้แน่ทําให้ชักช้ากันอยู่ชายันกระดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจมาเรีย ก, ก็เรียกส า, า่งปาคนของหล่อนมาซักถามเร็วหรือเจ้าตองสูก็ทําาการเช่นเดียวกับตาบุญคำ คือแหงนไปรอบๆแล้วเอานิ้วจิ้มน้ำลายยกชูขึ้นสูงใจเดียวก็บอกหน้าตาเฉยว่าเหี้โบราณอยู่ใต้ลมถ้าพรานใหญ่เข้าไปที่หืนหมูนั้นเมื่อไรมันก็จะได้กลิ่นทันทียุ่งและสิทีนี้แล้วจะเอายังไงกันล่ะเนี่ยใชยันครางหนักๆในลำคอยังตัดสินใจยังไงไม่ถูกก็รออยู่ที่นี่ก่อนเถอะเรายังเข้าไปไม่ได้ ถ้าสามคนนั่นยังไม่เข้าไปซุ่มอยู่ตรงหินนั่นซะก่อนตามที่ตกลงกันไว้ประเดี๋ยวผิดแผนก็ได้แหลกกันหมดเท่านั้นแหละดารินพูดเร็วปรืออย่างรุ่มร้อนกระสับกระสา่ า, ายกกกกัััันนนนนไห่่างงงลลิดแบบีี้้จจจะะตอววว็มนะวงงรเบบม ร, รนนมเเทย ยิงใช้กล้องส่องแล้วร้องมาว่าท่านใหญ่ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหินสูงดูเหมือนเขาพยายามจะส่งสัญญาณอะไรมาที่เราใช่แล้วเขาใช้กระจกเงาสะท้อนกระแสพระอาทิตย์พระเจ้าแล้วใครจะไปอ่านสัญญาณของเขาออกเล่ามารียอุทานแต่ชายันใช้แขนปาดแหม่มสาวผู้ยืนบังอยู่เบื้องหน้าให้พ้นทางไปจ้องตาขาม็งพร้อมก็ บ, บอกว่าถอยไปเมย์อย่าบางัง แล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ยกมือขึ้นชูโบกเหนือศีษะเพื่อบอกให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าเขากำลังสนใจรับสัญญาณอยู่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายส่องสำรวจท่าทีอยู่ด้วยกล้องส่องทางไกลอยู่แล้วจึงมองเห็นปฏิกิริยาตอบรับของกันได้ถนัดครั้นแล้วสัญญาณแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ด้วยกระจกเงาก็เริ่มฉายวูบวาบมาเป็นระยะเป็นช่วงทีและห่าง ตามรหัสจากลของหน่วยสื่อสารโดยอดีตนายร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านสื่อสารมาแล้วที่หมายอยู่เหนือลมจมต้องเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเข้าใจแล้วตอบด้วยใช้ยันอ่านดังๆออกมาเป็นคำไปให้ทุกคนซึ่งยืนจ้องนิ่งอยู่ได้รับทราบตามความหมายนั้นด้วยตายละจริงอย่างที่บุญคาบอกจริงๆนั่นแหละ ถามก็สิชัยยันว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงดารินพูดอย่างตกใจชัยยันหมุนตัวคว้างงงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพราะไม่ทราบว่าจะเอาวัตถุสะท้อนแสงชนิดใดมาเป็นเครื่องมือรหัสตอบได้พระพินส่งข้อความชนิดนั้นซ้ำๆมาอีกสองสามเที่ยวอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงเพิ่มนึกถึงกล่องบุหรี่โลหะขาวเคลือบนิกเกิลของเขาขึ้นมาได้รีบล้วงออกมาจากย่ามหลัง เปิดออกเช็ดด้านในจนเป็นมันเงาวับแทนกระจกและฉายตอบไปว่าทราบแล้วบอกแผนต่อไปทั้งสองฝ่ายฉายสัญญาณโดยอาศัยแสงสะท้อนจากดวงตะวันกล้าแสงบนท้องฟ้าโต้อตอบกันอยู่ครู่ใหญ่ทั้งดารินและมาเรียจึงห็นชัยยันปิดกล่องบุรีเก็บไว้ตามเดิมทั้งสามคนนั้นบอกว่าจะยึดแนวหินตรงเชิงเขาด้านซ้ายมือนั่นก่อน สั่งให้พวกเราเดินเข้าไปตามแผนเดิมเมื่อเราเข้าไปได้ระยะยิงไอ้ยักษ์นั้นเมื่อไหร่พวกเขาจึงจะวิ่งเข้าไปที่หมู่หินนนนและให้เราพยายามล่อให้มันไล่ทางฝ่ายเราไว้ไปกันเถอะรู้เรื่องกันแล้วนี่ได้ลืมตาโผลงนี่แปลว่าเขาจะไม่เข้าไปยังที่ซุ่มตามแผนที่กำหนดไว้เดิมจนกว่าไอ้ยักษ์จะทะหลันเขาไล่เราอย่างนั้นเหรอสามคนนั่นนะเข้าไปยังหินหมู่นั้นไม่ได้น้อย คืนเข้าไปก่อนที่เราจะถึงที่หมายไอ้ยักษ์มันจะปราดเขาเล่นงานพวกเขาก่อนทันทีระยะนั้นน่ะมันเป็นระยะประชั้นชิดติดพันมากอ๋อดีนี่แล้วก็เลยเกี่ยงพวกเราทางนี้เข้าไปประจันหน้าก่อนไงคนพูดไม่เจตนาที่จะว่าไปถึงใครอื่นนอกจากระพินทร์ไทรวันคนเดียวถ้าว่ากบฏไปเช่นนั้นเองไม่มีความหมายอะไรนะักทางด้านเราจะถอยหนีมันได้สะดวกกว่าทางเขา เพราะมีป่าหินอยู่ทางฝ้าขวามือทึบกว่าทางซีกทรายที่พวกเขาอยู่กันในขณะนี้นี่อย่ามัวแต่เกิดปัญหาอะไรอยู่เลยน้อยทำตามที่เขาสั่งดี่ถ้าช่วยส่งสัญญาณออกไปหน่อยได้ไหมส่งสัญญาณบอกอะไรล่ะบอกว่านายไพรวันคนรู้มากเห็นกับตัวไม่เอาไหนเลยทำแบบนี้จะถูกตัดเงินค่าจ้างใช้ยันหัวเราออกมาได้ดีน้อย มันมีอารมณ์ขันอย่างนี้ซะมั่งก็ดีโดยเฉพาะอีตอนฉุกเฉินขีดสุดเนี่ยฉันไม่ได้มีอารมณ์ขันหรอกยะแต่ฉันโมโหนายนั่นจริงๆตกลงกันไว้แบบนึงแต่แล้วก็กลับมาเป็นอีกแบบนึงนี่เธอแผนทุกอย่างนะมันจําเป็นต้องเปลี่ยนไปสุดแต่ภูมิประเทศเหตุการณ์ไอจะถือตายตัวมันไม่ได้เธอไม่น่าจะลืมซะนะว่าผี่ชายขาเป๋ของเธอน่ะตกอยู่ในภาวะรับผิดชอบของเขาด้วยในขณะนี้ เธอคงไม่ต้องการให้พี่ชายตัวเสียงจนเกินไปไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่าเขาทาถูกแล้วนะที่ไม่บ้าระหัำจนเกินไปนี่ทําไมติดเชท้าอยู่ด้วยนะฉันว่าป่านนี้ไอ้เสือนั่นกับเงยทรายฟ า, ยากับเจ้าเหี้ยโบราณนั่นเขาให้แล้วโดวยไม่จําเป็นต้องขอความร่วมมือจากเรา้เสียเวลารอกหมอดารินคนขี้งองแงก็เลยเงียบเสียงไปในทันทีนั้นเก้าคนคืบหน้าต่อไปในทิศทางเดิมและเริ่มทําเวลาทันที โดยไม่จําเป็นต้องห่วงพวงอะไรอีกเพราะทราบแผนการแล้วรพินไพยวันกระโดดลงจากยอดหินที่ขึ้นไปยืนส่งสัญญาณโต้ตอบกับช ย, ยันพร้อมกระถอนใจเฮือกเอาละครับคุณชั ย, ยันนะักคล่องในการใช้รหัสมอสยิ่งกว่าผมจะอีกคราวนี้เราก็เป็นฝ่ายรอพวกนั้นให้คุณตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าในระยะไหนและเหตุการณ์ยังไงเราถึงจะผลักออกจากที่นี่ ยึดที่หม้ยนั่นและเชษฐาก็เรียกแง่ทายเข้ามาขอดอกธนูที่ติดระเบิดพร้อมออกมาตรวจดูอย่างทีท่วนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจที่สุดเขาดูลักษณะของระเบิดที่ผูกมัดติดอยู่กระดอกศรว่ามันมั่นคงแน่นหนาดีเหมือนเดิมหรือไม่และตรวจสายชนวนว่ามันจะไม่ทรยศเป็นอันขาดในระหว่างลุกติดไฟและธนูพาแวกดิ่งไปในอากาศ เราจะพลาดโอกาสครั้งนี้ไม่ได้อีกแล้วท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างหนักแน่นเหมือนจะประกาศบัญชาไปยังบุคคลทั้งสองและตบหนักนวลลงไปบนบ่าของรพินกังแอ่ทรายคนละข้างพร้อมทั้งบีบไว้แน่นกระชับชัยันนำคณะของตนใกล้เป้าหมายอันตรายเข้ามาทุกขณะจนกระทั่งเหลือระยะอีกเพียงร้อยห้าสิบเมตรซึ่งมองเห็นกันอย่างถนัดทนที่สุด ยักษ์โบราณเอาศีรษะหลบมุมแง่หิงอยู่อย่างฉลาดโผล่แต่ส่วนหนึ่งของดวงตาซีขวาออกมาชำเลืองจ้องเขม็งโดยไม่ไหวติงกายอยู่เช่นนั้นคล้ายจะรอจังหวะอันเหมาะเจาะที่สุดชนิดผลพวดเดียวถึงตัวฝ่ายมนุษย์ทุกคนและเมื่อนั้นเองรพินก็ให้สัญญาณกับแง่ทรายและเชิดถาให้ออกวิ่งสุดฝีเท้าพุ่งเข้าหาหมู่หินที่หมายตาวายเป็นที่มั่น การสั่งการกําหนดกันไว้อย่างเรียบร้อยล่วงหน้าแล้วจากชัยยันเกิดเสยจันและสางตาเมื่อเข้าระยะวิกฤตนี้ปางแยกตัวแฝงเข้าหาเงาหินทันทีเพื่อเตรียมาสาดกระสุนสกัดขยินบุญคำชัยยันมาเรียและดารินคงปรีดิงเข้าไปอีกอย่างเยือกเย็นทั้งหาคนกระจายกันออกทิ้งระยะช่วงห่างกันประมาณ10เมตรในมือกระชับไรเฟิลพร้อมในท่าเตรียมระเบิดกระสุนออกไปได้ทุกขณะ แล้วทันทีนั้นเองมาเรียขยินและบุญคำสามคนซึ่งจัดว่าคล่องตัวที่สุดในการประจันหน้ากับอันตรายก็วิ่งลำหน้าออกไปเมื่อผ่านระยะร้อยเมตรเข้าไปแล้วเฮ้ยไอบอดไอยักษ์นั่งเอ็งแน่จริงมาล่กัดก้นข้านี่สิว้ยตาท่าบุญคำตะโกนด่าเอ็ดอึงขะนึงออกไปผสมไปกับเสียงพุษสวัสดโวยวายอย่างยุย่อของขยินบงเบงกึกก้องไปในความสงัด ที่แวดล้อมอยู่สองคนนั่นกระโดดโลดเต้นช่วยกันร้องด่าท้าทายคร่มถ ม, ทมเทไปหมดมาเรียมไม่ยั่วยาวมันด้วยเสียงแต่หลอนยั่วมันด้วยจุดส7 5เจดห้าแมกน้ำในมือเป็นประถมมะเรกและเป็นการแย่ด้วยไวพริบที่ฉลาดเยี่ยมแทนที่จะยิงเข้าไปยังส่วนอื่นใดของร่างกายอันใหญ่โตซึ่งกระสุนไรเฟิลแทบจะหาความหมายใดๆ ไ, ไม่ได้เลยนั้นหล่อนเล็งไปที่โคนหางที่เห็นวางราบอยู่บนชะงอนหิน เสียงตูมสนั่นสะท้อนกึกก้องไปทั้งภูผขาที่แวดล้อมอยู่ได้ผลอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโทสระให้แกไอมหายักษ์ไทรอนผู้พยายามจะวางตนเป็นอุเบกขาอยู่มันแพดเสียงร้องราวกับฟ้าคัรนแวงตัววูบจนแผ่นดินไหวเฮือกก้อนหินใหญ่น้อยที่แวดล้อมตัวถล่มร่วงคลื่นครมประดุจปลาอานนท์พลิกตัว อนที่จะกระโจนลงจากชะ ง, ง่อนจุด600นไนโตรของชายันและจุด300ศูนย์เวเทอร์ของดารินซึ่งคอยจังหวะอยู่แลว้วก็ปะทะลั่นตบเสียงแผดคำรามของมันขึ้นพร้อมกันที่หายตัวไปเแผนคองอันทึบทามึนราวกับพูเ้าพี่ภโลกล้านปีเคลื่อนตัวของมันเองลงมายังพื้นเบื้องล่างในลักษณะทหลยลื่นเสียการทรงตัวและบัดนี้ แข้งขยินกระตาบุญคำก็หันหลังกลับวิ่งตูดเต้นแข่งกันย้อนกลับมาระหว่างที่ดารินกับมาเรียสลัดลูกเลื่อนเชยันจึงใช้ไรเฟิลแฟรก็ระเบิดนัดที่สองจากลำกล้องขวาของเขาไปอยา่างรวดเร็วไม่ต้องเล็งเพราะเป็นการยิงเป้าหมายขนาดกําแพงเมืองจีนอยู่แล้วจากนั้นเขาก็กระชากลากแข็นดารินเอาตัวรอดไว้ก่อนเมือแต่เพียงมาเรียเท่านั้นรังทายและใกล้ชิดอันตรายที่สุด มาเรียปล่อยกระสุนนัที่สองในระหว่างวิ่งถอยไปพลางนัดนี้เซยเข้าปลายจมูกและเรียกไหลเป็นทางไปตามสันของหน้ามันเฉลยพ้นกระโหลกด้านบนขึ้นไปโดยอาการเกรี้ยวกราดดุร้ายปานราหูพิโรชนต่ที่ทุกคนเคยพบเห็นกันมาแล้วทันทีที่มหายักษ์ไทรันโนซรสัสทรงตัวอยู่บนขาทั้งสองได้ถนัดก็อ้าปากกว้างส่งเสียงขู่คำรามปานจะถล่มฟ้าทังดิน ออ ก, ล, กลุกไล่ติดตามมาในทันทีทุกคนตามแผนครัทประเทศขาวางไว้แล้วปัดนี้มันไม่ได้หันไปสนใจทางดใดทางสิน้นออกจากเจยื่ออันเป็นมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยฝ่ายลอกที่เข้าไปยั่วยุอยู่ใต้จมูกใกล้ๆนั่นเองมันกวดไล่ฝ่ายของชายันอย่างไมายจะงับเก็บไปคนละคำเกิดเซยจันและสามตาอันเป็นทัพหนุมเบื้องหลังก็ซากระสุนเข้าบรไวตามแผน พเพื่ปดโอกาสการล่าถอยปลาหนีของพวกที่เข้าไปล่อมันใ้ใกล้กระสุนไรเฟินต่างขนาดผสมกับลูกซองเหล่านั้นจิงยู่ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้แต่ก็ทำความสะดุ้งสะเทือนได้เหมือนกันกระดุดถูกสาดสัดด้วยกรวดทรายขั้วไฟร้อนสองมืออันตุกสั้นไม่ได้ส่วนของมันตบ ป, ปัดอยู่ไปมาพร้อมกับเพเสียงร้องสนั่นวันไหวจนหูดับไปหมด แต่ก็ไม่ยอมชั ง, งักหรือยอมเสียเวลาเปิดโอกาสให้คงโกดธไ ด, ด, ด, ด้ยังกดยชั้นคิดผลที่เข้ามายังหน้าวานเสียวเพราะอัตราส่วนหนึ่งเ้าของมั น, ต, นต่ำ29ของฝ่สิกายองสามาเรียจำต้องแตกหนีอนอกน้าทางซะแลว้วเพราะความจวนตัวบอนไม่สามารถจะเล่นหนีมาทางเดียวกับที่พักพวกวิ่งย้อนกลับได้ ลบฉากแล้วเข้าไปในป่าหินเตียเตี้ทางซ้ายมือและอยักษ์ก็ชะงักขันความไปความสนใจกับหลอนซึ่งเป็นเป้าหมายใกล้ที่สุดมันหมุนโตวกว่าทางเข้าโตถูคํา น, า, า, าน้ำกึกโตไปมาเพื่หาระหินและเ ง, งาใเห็นภาพเหตุการณ์นั้นอย่างขชัดเจนที่สุดเพราะทางก็พากันพี่หน้าตั้งเข้ามายังไม่ทันจะถึงที่หมาที่กาหนดไว้มีหนังซ้ํเาเหตุการณ์ยังขันแปลไปโตไอ้ยักษ์ไปเม่งไล่ มีทีท่าจะผ่านใกล้หมู่หินด้านที่คอยหมายดักนั้นคุณชายกายระเลสไยไปคอยดักอยู่ที่หมายเดิมแล้วไม่ต้องตามผมมารัะพินตะโกนสุดเสียงและลำและรักสั่งการแทบไม่เป็นภาษาตะเบ่งแขงก็ะสับพระสำเนียงอึอึอน่าสะบูนตัวนั้นเสียงคำรามตุ้งติ้ยักษ์เสียงปืนที่จะร้มกันระเบิดยังสับสนไม่เป็นจังหวะไม่ทราบว่ า, าใคร่อม ในภาวะที่เต็มด้วยความชุลมุนสับสนสุดยดเช่นนี้และตัวเขาเองก็วิ่งแย่ต่างทางพุ่งก็ไปยันยอเที่ยวโบราณซึ่งขนาดนี้กำลังตกใจหรือยอดผิดประจุยกระจายค้นหามารีอยูเชื่อถ้าภาวะผวงด้วยความตกใจแทบหมดจะไปอยู่ริบตาเดียวแต่แล้วก็ถูกเงาทรายสกิดให้ออกเล่นตรงไปยังหมู่หินที่มั่นตามคําสัง่งของจราแดนจึงออกวิ่งตามไปในทันที ทั้งทั้งที่เป็นหัวไปหมดและเราไม่ถูกว่าเหตุการณ์มันจะดําเนินเช่นไรต่อไปรู้แต่เพียงว่ากษ์ตะการสุดยอดเกิดขึ้นกับแม่สาวผมทองแล้วบุ้งคำขยินยังโวยอ้าวต่อไปอยู่ตายฮ่าฮู้อีกสินั่งบองโนจกัดให้อยู่ส่วนดารินกับชั ย, ยันห ม, มุนตัวกลับไม่เห็นภาวะคับขันของมาเรียก็หยุดชะงักอีกครั้งแม่ช่วยแม่เร็วชัยยันดารินร้องแหลมฟรีด และยังลืมตัวชั่วขนาดเพราะความเป็นห่วงเพื่อนสาวตามหิวผู้ตกอยู่ในพวกอันตรายขีดสุดอยากจะสมทุนสาวกลับวิ่งราดย้อนทางเดิมใช่ยังพวกจะมีโอกาสหักหางเดี่ยวบรรจุกระสุนลูกใหม่ลงรางเพลิงได้ออกวิ่งตามไปพร้อมกระสงเสียงร้องแห่ดาริ้ก้องมันเส่อสามอลมานไปหมดจนจังแกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรเกิดเซยจันและสางปา ก็พรวดออกมาจากที่ซุ่มยิงในเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมดโดยไม่ต้องนัดมันหมายถึงความสามาัคคีประกอบกับความกล้าหาญยอดเยี่ยมเมื่อมองเห็นอันตรายตันตาบางเกิดขึ้นกับผู้ร่วมคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสางตาผู้ตามปกติแล้วจะเชื่องช้าที่สุดแต่บัดนี้มันไวปานประหลอดออกข้อแนบปับหน้าดารินออกไปด้วยความเป็นห่วงในสาวผมท อ, องของมั น, นสาส์การชาปสเล อย่างน้อยที่สุดก็ช้ากว่ารพินไพรวันผู้ซึ่งการเคลื่อนไหวปฏิบัติการของเขาทุกชนิดเป็นไปด้วยสัญชาตญาณเคยชินมากกว่าสมองจะทันสั่งการเขาวิ่งอ้อมเลาะแนวหินมาอีกด้านหนึ่งลืมคิดถึงตัวเองหรืออะไรทั้งสิน้นนอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือชีวิตของบุคคลผู้ร่วมคณะคนหนึ่งซึ่งบัดนี้ตายมากกว่าเป็นสาหรับาวการเช่นนี้ไอ้ยักษ์ผู้เกลียวกราด ซึ่งกําลังพะาวา้าแอคเอนขยับปากอันกว้างใหญ่ดักอยู่ยังหมู่หินเตี๋ยเตี๋ยซึ่งเห็นมาเรียแหวบหายก็ไปในนั้นแล้ในทันทีเขาก็เห็นมันชะง่อหัว ว, วูบลงไปพร้อมกับสำเนียงกรีดร้องของมาเรียพริกตาต่อมามันก็เลยหัวสะบัดขึ้นภาพที่เห็นในสายตาอันเบิกโผล่ก็คือสิ่งที่จำได้ว่าเป็นเสื้อของมาเรียไปปากมันขึ้นมาส่วนจะเปนเลือหรือเลือดปะปนขึ้นมาด้วยหรือไม่นั้น เขาไม่อาจามองเห็นได้ในสายตาตลึงเลชั่วแวกนี้และบัตรนั้นเองดวงตาอันลุกโชดด้านขวาของมันก็หันมาทางด้านเขาพอดีถ้าแม้ว่าวินาทีสามารถจะแยกออกไปเป็นส่วนละเอียดปรีย่อยที่สุดได้สักเท่าใดก็ตามหนึ่งในจำนวนส่วนย่อยของการเวลานั้นคือปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของระพินไทรวันยามนี้ช่วงระยะปฏิบัติการดังกล่าว หมายถึงไรฟ้นที่วูบขึ้นมาอยู่ในแนวเลงนิ้วซึ่งแตะไกเข็มแทงชนวนพุ่งเข้ากระทบชนวนไ้เยกระสุนแก๊สเผาไหม้กลาเป็นพลังงานขับโลหะหัวแข็งน้ำหนักห้าร้อยกรีนไอรีดควงตัวไปตามเกลียวลำกล้องและพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายจุดที่ห้าของ แ, แอฟริกันนับนั้นก็ต้องกำปนาขึ้นเรวกว็พริบตาสที่หมาย ดวงตาด้านขวาของไอยักษ์ข้างนั้นและต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาก็ดับวูบลงชั่วขณะหนึ่งเหมือนภาพพยนต์ขาดกลางอบแต่สายตาอื่นๆที่จ้องยังตะลึงอยู่ในขณะนั้นเห็นเหตุการณ์และเลียงลําดับภาพนั้นได้อย่างชัดเจนกระสุนนัดนั้นของจอมพรานมุ่งเข้าทะลวงเป้าไม้ยันนัดถนีที่สุด จนของเหลวและเศษเยื่อตาบางส่วนกระจายออกไปทันทีโดนเข้าอย่างจังและเป้าหมายอันเป็นจุดอ่อนที่สุดของร่างกายไอ้มหายักษ์หมุนคว้างไปหนึ่งรอบตัวราวกับถูกมือเทพเจ้าตบร่างกายอันใหญ่โตของมันในจังหวะที่ผวาตู่และดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดนั้นปะทะกับก้อนหินที่แซมยอดระเกะระกะรอบด้านทางลมลายนตึกล้มครับ ชิ้ส่วนจากสะเก็ดกระเด็นว่นไปรอบ ท, ทางส่วนหนึ่งลอยมาที่ร่างของเราผิดนกตาก็เห็นเขกระเด็นพั ง, งาขึ้นทั้งตัวในอากาศกิริยาแทบไม่ผิดอะไรกับไอ้ยักษ์ขณะโดนปืนล้มคว่ำหน้าลง ก, กับพื้นไหล่ต้นในมือหลุดกระเด็นห่างตัวไปทางหนึ่งดูเหมือนจะเ น, น่นิ่ตรงนั้นไทรนโนซอรัสตนนั้นภายหลังจากดิ้งผวาไปครบรอบ ศีรษะอันให ญ, ญ่มาคือมาซึ่งยังอ้าปากค้างอยู่นั้นก็ปากทิ่มลงตอนนี้เองที่มันส่งเสียงขึ้นเป็นเสียงที่แหบเรือลากยาวเยือกอย่างโหยโหยแสดงถึงความเจ็บปวดปวดราวเส้นสาหัสเหนือตัวร่างกายทุกส่วนดูเหมือนกตบว่าจะสันระิกเต้นกระตุกเกรงไปหมดแล้วมันก็เงยรั้วขึ้นมาอีกครั้งลักษณะไม่ผิดกับหมาป่าัขยมหินทุก ตอนที่มันควานไปกระทบทาง้างขวาบัตรนี้เลือดแดงชารตบท่วมไฟหมดข้ากัดกิริยาเคลื่อนไหวบอกได้ชัดว่ามันมองไม่เห็นอะไรซะเลยทุกสิ่งทุกอย่างมืดสำหรับมันไม่มีใครรู้ว่ามารเพียในขณะนี้อยู่ที่ไหนในภาวะไรภายในเงาของหูหิใต้ทางของไอ้ยักษ์และไม่มีใครคาถูกว่ารัพพินจะมีโอกาสหายใจได้อีกหรือไม่ จากร่างที่นอนมือกลางเท้ากลางความแน่อยู่กลางพื้นไม่กระดิกกระเดี่ยนนั้นในสภาพที่ตาบอดสนิทหมดทั้งสองข้างซึ่งตกอยู่ในความเจ็บปวดผสมไปกับความโกรธแค้นเกลียดกราดจนถึงที่สุด ไอ้ยักษ์ไทรันเปิดฉากอาละวาดเป็นไฟบาลัยกันเอากับสิ่งที่ทมันรอบตัวซึ่งก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าก้อนหินใหญ่น้อยซึ่งงอกสูงๆต่ตาาๆทั่วไปตามคื้นคุมิประเทศมันก้าวตะลุยมาเบื้องหนะ้าปีนข้างหนึ่งของการขยับเดินเกือบจะเหยียบลงมาบนร่างของพระพินที่นอนติ่งอยู่ แล้วก็ผ่านพลไปปะไปทางด้านของชัยาดารินและกลุ่มทานพื้นเมืองทุกคนซึ่งบัดนี้ช น, นะโบตาบลึงมองอยู่จะมองเห็นหรือไม่ก็ตามแต่เพราะทิศทางที่มันเดินถื่อเข้าใส่ทำให้คนเหล่านั้นกระจัดกระจายกันออกไปอีกอย่างไม่เป็นสัตว์เช่ดฐานนั้นทันทีที่แลเห็นพรานใหญ่ถูกทอาให้กระเด็นลงไปล้มนิ่เขาก็ทะลันจะเล่นตามออกไปด้วยสัญชาตยานแต่ก็ต้องชนะงักเพราะเงซ้ายฉุดแขนไว้มัน่น อย่าครับในายใหญ่เราช่วยใครในขณะนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำในขณะนี้ได้ค่าโอกาสเป็นของเราแล้วครับตามันบอดหมดทั้งสองข้าแล้วครับแล้วเงาสายก็จิ้มเห็นฟันขาวทั้งสองแถวทรงทั้งคันธนูและดอกศรปิดระเบิดมาให้ราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะในายใหญ่ควรจะทำลายมันด้วยมือเองนะครับไม่มีเวลาที่เขาจะคิดอะไรแล้วทั้งสิ้นในภาวะเช่นนี้ เมื่อไงสายส่งธนูกับดอกศรมาให้เฉตถหก็กระชากมาโดยเร็วกับกรามจนลุนเป็นสันวางดอกธนูขึ้นผ่านสายยกขึ้นเตรียมพร้อมจะเคยทดลองยิงมาก่อนหรือไม่ก็ตามบัดนี้ความจําเป็นสุดยอดมาถึงแล้วเฉตดหตัดสินใจเฉียบขาดด้วยเจตนาอันแน่วแน่ลอยมันออกไปทางที่โล่งขวามือแล้วห น, นีให้หา่างไม่ต่ำกว่าห้าสิบเมตรลบหาที่กําบังไว้ ท่านหัวหน้าคณะตะโกนขึ้นสุดเสียงสั่งความไปยังชัยยันมีเสียงตะโกนร้องบอกกันต่อๆอไปอืเอิงละคนไปกับเสียงปืนที่รองกล้องไม่เป็นจังหวะและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคำสั่งของเชษฐาคนเหล่านั้นภายใต้การนำระบงการของชัยยันยิงล่อไอ้ยักษ์ให้มันหันเห อ, ออกเดินเ ป, ปะเป็นไก่ตาแตกไปทางด้านที่โลกใกล้เคียงก็ตาหถึงขวามือแล้วทุกคนของฝ่ายล่อ ก็หยุดยิงโอยแนบะสุดฝีเท้าหนีเอาอพ้นดถนสมีห้าสิบเมตรเข้ายึดที่ลบกำบังตนสุดแต่ใครจะหาได้เชิดาเพ่นออกมายืนเด่นอยู่ในที่โลกทิศทางของเขาเยื้องสี่สบห้าองศาจากด้านหลังของให้ยักซึ่งเงื้ ง, งะหมุนอยู่พร้อมกับเสียงคำรามไม่หยุดปากมืทั้งสองตะกุยปาดตามหน้าของมันเองอยู่ไปมาวุ่นไปหมดแกลซายปลาก็ามาขนาบข้างเขา ในมือถือใต้ที่ลุกติดไฟพร้อมจุดชนวนเขาร้องยกธนูขึ้นในมุมที่จะส่งลูกออกไปในวิถีโค้งแง่าสายก็ไปปลายครบเข้ากับสายชนวนระเบิดที่มัดไปจู่กระดอกสรอนทันทีจิงนายใหญ่เชื่อฐานาวสายสุดแรงเกิดด้วยพละกกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งอำนาจกำลังใจที่ก่อไปเจตนา ม, มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ สอนของพ ร, รามเชฟขาสิ่งมวามจริงก็คือดอกโนูติดระเบอร์ TNT บัตรนี้สายชนวนกำลังลา ม, มากแวนอากาศคว้ออกจากแรงทะยานเป็นวิถีโค้งพุ่งเข้าหาไทรันโนทอรัสอย่างเที่ยงตรงที่สุดไม่เฉยใช้ออกนอกทิศ ท, ทางหรือว่าเปะปะเสียการทรงตัวไม่ทังได้ทั้ ง, งสิน้นด้วยกำลังส่งของคันน้าน้าหนัก80ปอนยานนั้นอยักหมุนตัวตะแคงกลับมาพอดี หัวธนูซึ่งทำด้วยโลหะแหลมเป็นแฉกเงี่ยงในจังหวะที่บายหัวลงในมุมต่บก็เสียบชึ้เข้าไปยังซอกรักแร่ตรงบริเวณขา ห, าห้าายของมันยง ม, มิดเข้าไปในผิวหนังอันครุขระประมาณหนึ่งในห้าส่วนของดอกธนูซึ่งยาวร่วมเม็ดทั้งเฉทฐาและเงาทายสุดตัววูบลงนั่งไปพื้นทันทีโดยไม่ต้องร้องบอกเตือ น, นทั้งทีที่เห็นธนูเสียบติดเป้าหมาย ตั้งอยู่หลังก้อนหินใหญไ่ไม่ใครสามารถคาดคิดทำนายเหตุการณ์ได้ถูกในวินาทีดับจิตนี้ <alis. S 1> เจ้าเขี่ยโบราณผู้ครองความเป็นเจ้าพีพบโลกในอดีตสมัยร้องว้าอยังโกลแค้นจากพิบบสงของหัวธนูที่ปักทะลุหนังเข้าไปเบื <c oughs> ่อบานเจ็บคันกระตุโกโศะฟาดฟันตัวเองอยู่ไปมาเสียงสนั่นล่นปัทภีไปหมดราวกับพระสุธาจะพลิกความลง แต่แล้วบัตรใจต่อมานั่นเองทุกสัตว์ผสมเลียงอันหน้าสะพึงตัวอยู่ขนาดนี้ก็ถูกกบเสียหมดสิน้นเสียงที่ดังกบนั้นดังเหมือนระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินเชตากระโดด ล, ลงเป็นนหนึ่งว่าจะหยุดหุนลงชั่วขณะ ระยะเวลานั้นจะผ่านพ้นไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เมื่อได้สติขึ้นอีกครั้ง่ันหัวหน้าคณะตะกายเกาะหินค่อยๆพยุงตายโผล่ขึ้นมองไปยังที่หมายเบื้องหนะ้าท่ามกลางม่านควันและผงธุลีที่ปลิวคลุ้งเป็นหมอกสีขาวร่างมาคือมาเป็นภูเขาเหลากาของไอยักษ์งายท้องอยู่กลางแผ่นดินขาอันทรงพลังด้านหลังทั้งสอง ทีตะกายอากาศจู่เดวเดวอ้าปากพังงบเลือดทะลักทะทางออกมาจากปากและรูจมูกด้วยอำนาจแรงอัดมหาสารของ TNT ชั่วพริบตาต่อมามันก็ค่อยๆตักแคงจากท่าที่นอนหงายท้องอยู่มาเป็นท่าหมอบติดดินแล้วส่วนหัวอันโงนเงนสั่นริกริกพยายามจะเชิดชันขึ้นแต่กำลังขาดูเหมือนจะหมดสิ้นไปซะแล้วมันพยายามลุกล้ม อยู่หลายครั้งสำลักระอักไายเลือดพลักผลักออกมาจากปากเช่นนั้นเรากับรถดับขนาดใหญ่ยกกระบะเทคลนเหลวๆลงมาเพื่อถมพื้นที่ช่วยมันพ้นทรมานซะโดยเร็วเถอะครับนายใหญ่เสียงกระซิบเบาๆมาจากเบื้องหลังปลุกสติสัมปชัญญะซึ่งเหมือนถูกสะกดให้ตกอยู่ในห้วงฝันของเชษฐาอีกครั้งอดีต ท, ท่านทูตทาหารบกเชื้อพระวงศ์พาดดอกธนูเป็นคำรบสองสูดลมหายใจลึกเต็มปอด แล้วพยักหน้าเป็นความหมายเงาทรายก็จุดสายชนวนให้พร้อมกับสัญญาณยิงเขาปล่อยดอกที่สองแหวกอาก า, อากาศออกไปเป็นการซ้ำแม่นยำราวกับสวรรค์จะเป็นใจช่วยครั้งนี้มันปักสวบเข้าไปที่ก้านคอเยื้องมาทางด้านหน้าของไอ้ยักษ์ผู้อ้าปากสำรอกเลือดอยู่เป็นระลอกเชิดากะเงาทายไม่หลบลงต่เหมือนครั้งก่อนแต่เกาะนิ่งกะแงหินจ้องมองภาพเหตุการณ์อย่างสงบด้วยหัวใจอันแน่วนิ่ง ทีเลูกที่สองระเบิดขึ้นเร็วกว่าลูกแรกซะอีกพอมันคลื่นขึ้นสิ่งที่แม่แคบ แ, แ, แ, แ, แ, แสงแต่แันแดดเปียและมันพันต้องปรับมัวมนอีกครั้งและเห็นตะท่อนปลายหางของมันที่วาดอย่างเชื่องช้าอยู่กับพื้นแล้วก็สนิทนิ่งไปก่อนที่ควันจะ จ, จางลง ไอ้มหายักษ์คู่เวรคู่กรรมของคณะเดินทางมหาวิบาศทั้งหมดสงบฤทธิ์ลงอย่างราบคาบแล้วร่างของมันกองนิ่งอยู่ที่เดิมในท่าตะแคงคอหันพับขึ้นมาเกยอยู่บนลำตัวหน้าเงนงเงยสู่ท้องฟ้าในสดประสาทอันลั่นอื้อของเชษฐาไม่ได้ยินส ป, ประสำเนียงใดๆอยู่ชั่วขณะ โลกทั้งโลกดูจะเงียบไปหมดครั้นแล้วต่อมาเขาก็แหววเสียงโห่ร้องอือึงสนันวันไหวของพวกพรานพื้นเมืองเสียงกู่ตะโกนร้องบอกกันอย่างยินดีของคณะพักและเงาของคนเหล่านั้นก็พากันวิ่งพลูออกจากที่ซ่อนตรงมาที่เขาส่วนเบื้องหลังเหลียวมาก็ไม่พบแง่ท า, ายซะแล้วเจ้าคนใช้พิเศษผู้ทําหน้าที่จุดชนวนระเบิดให้แกเขาบัดนี้พละวิ่งไปยังร่างของพรานใหญ่ซึ่งนอนอยู่กับพื้นและยามที่เขาเหลียวไปมองตาม ก็เห็นระพินพ์ไพรวันกําลังคลานสีขาสะบัดหัวเราเราอยู่กับพื้นเชิฐาออกเล่นตามแงยสายเข้าไปโดยเร็วปรากฏว่าแงยสายเข้าถึงตัวก่อนแล้วประคองให้ขึ้นมานั่งเหยียดขาอยู่กับพื้นระพิน์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงผมครับจอมพานพูดอย่างยากเย็นแล้วชี้มือไปที่ปลายหินเล็กตรงหน้าผมผมคงไม่เป็นอะไรมากหรอกเข้าไปดูเมยก่อนเร็วครับเชิดขาภาวะพะวังแต่เขาก็ไม่เงอะงะอยู่นานนัก ทันปราบไปในหมู่หินเบื้องหน้าทันทีพอดีกับที่กลุ่มของชา ย, ยันดารินและพวกพรานพื้นเมืองทั้งคณะห่อแนบมาถึงทุกคนส่งเสียงร้องถามกันแซ่บบางคนมุ่งอยู่ที่พรานใหญ่บางคนก็กระโจนตามเชิถาไปแล้วทั้งหมดก็พบมาเรียฮอฟมันนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่ในซอกหินตอนหนึ่งเสื้อล่าสัตว์ทางด้านหลังทั้งแผนขาดกระจุยหายไปและเห็นผิวขาวโพลน ก็หลทั้งกายส่มไปด้วยเลือดและรอยขีดกวนอันเกิดจากแง่หินบาด ท, ที่ศีรษะก็โชกเลือดเช่นกันเชธาปราดเข้าไปถึงเป็นคนแรกร้องเรียกเสียงสัน่นทรุดตัวลงองุ้มประคองพลิกหงายหน้าขึ้นดวงตาทั้งคู่ของแหม่มสาวปิดสนิทพริบตาต่อมาดารินกับชัยยันก็เข้าถึงด้วยความตกใจขีดสุดระหว่างที่ทุกคนช่วยกันปลุกเขย่าเรียกอันเป็นสัญชาตญาณทั่วๆไปของมนุษย์เท่าที่จะทําได้ ระพินไพรวันเดินขย ե กเข้ามาถึงเป็นคนสุดท้ายต่างดูเหมือนจะตโหนกอกสัน่นต่อภาพที่เห็นและลืมสติกันไปหมดแม้กระทั่งหมอดารินเองก็ลืมไปใช่แล้วว่าตนเองเป็นแพทย์ร้องเสียงหลงออกัาว่ า, ามีเธอตายแล้วหรือเนี่ยคุณหญิงเป็นหมอจะลงความเห็นว่าคนตายโดยไม่ยอมตรวจได้เลยหรอครับเสียงแหบๆดังมาจากบุคคลซึ่งแบบนี้พิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าสติกําลังใจและความทรหด็ด เหนือกว่าทุกคนพรานรพินนั่นเองดารินรู้สึกตัวขึ้นมาได้จากเสียงเตือนนั้นรีบตรวจบุคคลที่เคราะ์ร้ายที่สุดของคณะอย่างลนลานใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครู่เดียวหล่อนก็มีสีหน้าดีขึ้นเงยขึ้นบอกเร็วหรือว่าเร็วช่วยกันหามก็ไปพักในที่ร่วมก่อนเถอะกำลังใจของคณะทั้งหมดก็กลับคืนมาในทันทีนั้นนายแมมไม่ตายไม่ใช่หรอนายหญิง จะต้องสูตรตะโกนลั่นออกมาเป็นภาษาพมา่าแต่หมอดารินหรือใครทั้งสิ้นก็ไม่สนใจกับคำถามของมันถ่ามกลางความฉุกโลหกซึ่งจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วแค่งกับเวลาเช่นนี้สียงเชิาออกคำสั่งลิ้นพันกันอย่างรีบด่วนแง่ส า, ายกับขยินตรงเข้ามาช่วยกันหามร่างของมาเรียขึ้นแบกลีวตามหมอดารินซึ่งล่วงหน้าไปเลือกได้ใต้เพิงหินในที่ร่มไม่ห่างไกลาจากกองสัมภระซึ่งต่างปลดพักไว้ก่อน ก่อ น, น่นาจะเข้ามาทำศึกประจันบาลกับไอยักษ์คงเหลือแต่เพียงระพินเชิฐาชยันและดารินสี่คนเท่านั้นที่เข้ามารุมล้อมดูอาการของแม่สาวผมทองผู้เคราะรายและให้การร่วมมือกับหมอในการประมพยาบาลไปพลงัพลงๆรอเวลาที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มพลานพื้นเมืองที่ส่งย้อนให้กลับไปยังกองสัมภาระนั้นจะลิวมาถึงพร้อมด้วยหีบเวชภัณฑ์ประจาคณะยามนี้ ไม่มีใครหันไปสนใจกับซราของไอ้ยักษ์ที่กองพัเนินสิ้นฤทธิ์เดชตายสนิทอยู่ทั้งสิ้นหนักมากไหมน้อยชัยันเพิ่งจะเอ่อยออกมาได้เป็นคำแรกอย่างกระสับกระส่ายตลอดเวลาทุกคนเห็นแพทย์สาวประจำคณะงวนอยู่กับการตรวจสอบสภาพร่างกายของคนเก็บอย่างที่ท้วนร้อนรนที่สุดก่อนที่เครื่องมือจะมาถึงและท้ายสุดแม้แต่อกเสื้อด้านหน้าที่ยังเหลืออยู่ก็ถูกหมอดารินทอย เยออกไปจนหมดถึงผิวเนื้อโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นลงทุนเอาหูแนบฟังลงไปกับหัวใจไม่มีบาดแผลชะกันตามร่างกายมากนักนอกจากรอยหินบาดแล้วหัวแตกไม่ใช่ลอน้อยพี่ชายถามมาอีกคนหนึ่งด้วยความร้อนใจเพราะยังไม่ได้ความเห็นใดๆจากหมอให้แน่ชัดลงไปพอแกการวางใจได้ดารินเม้มริมฝีปากแน่นหันมาตรวจบาดแผลที่ศีรษะอีกครั้งหลุดปากพึมพำออกมาว่า กระโหลกร้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าหัวจะฟาดลงอย่างแรงทีเดียวจากรอยแผลฉีก ข, ของหนังศีรษะข้างนอกที่เห็นนี่อึดใจต่อมาหล่อนก็บอกว่าจ้าประคุณเทวาอารักข์อยากให้เมย์เป็นอะไรไปเลยตรวจดูนี่ก็ไม่รู้สึกว่าจะรุนแรงอะไรนักหรอกก็แล้วทำไมนิ่งตัวอ่อนไปแบบนั้นน่ะสันนิฐานว่านอกพื้นอย่างแรงสลบ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนี่ฉันมองไม่เห็นตาหนัดเลยในขณนะนั้นเมเจวจวนตัวขิดสุดครับคุณหญิงผมเห็นเขาวิ่งเข้าไปเล่นเอาเธอเจ้าล่อกองมันอยู่ในหมู่หินนั่นและคงจะต้องวิ่งตะเกียกตะกายหลบกำบังไปตามก้อนหินในระหว่างที่มันฉกหัวลงมาหมายงับครั้งสุดท้ายที่สุดอ่ะเศษเสืเส้อของเมถูกงับติดปากมันขึ้นมาเข้าใจว่าตอนนั้นเมย์คงก้มลงหลบอย่างบุดบิดคมเขี้ยวของมันผ่านสันหลังไปงับติดเสื้อเข้า แล้วพอมันกระชากขึ้นเสื้อก็ขาดติดปากขึ้นมาส่วนตัวเขาเองคงจะกลิ้งหล่นจากก้อนหินลงไปกระทบกับแง่หินที่ต่ํากว่าแล้วก็เลยนอนสิ้นสติอยู่ตรงนั้นเพระาะศีรษะฟาดแง่หินแต่ก็ยังโชคดีที่เขาพลัดหลุดจากกรงเขี่ยวมันได้แต่ติดปากขึ้นไปด้วยก็คงปนเป็นผงไปละผมรู้สึกว่ามันจะโฉกหัวลงมาควานงับซ้ำอีกจึงแยกกับคุณชายและแง่ทรายวิ่งเข้ามายิงมันเผาขนซึ่งซึ่งหน้า แล้วผมเองก็หน้ามืดวูบลงไปชั่วขณะเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าโดนอะไรเข้ามารู้สึกตัวเอาก็อีตอนที่เสียงระเบิดครั้งแรกนะครับคุณโดนก้อนหินที่กระเด็นว่อนไปทั่วเพราะการแว่งสะบัด ต, ตัวของมันหลังจากถูกลูกปืนนัดนั้นเข้าไปแล้วละ่ะผมเห็นชัดทีเดียวละ่ะว่าคุณขมำหน้าลมคว่ำลงไปนอนนิ่งอีตอนนั้นก็นึกว่าเสร็จไปแล้วเหมือนกันเกือบจะหลวมตัววิ่งตามเข้ามาอีคนดีนะที่เงซายฉุดไว้แล้วเตือนให้ยิงมันด้วยธนู คุณเองอะเรียบร้อยดีเลยระพินยกมือขึ้นลูบคลำต้นคออันปวดหนึบพอไหวครับนอกจากผมกับเมย์แล้วมีใครได้รับอันตรายอะไรอีกบ้างไหมครับปลอดภัยดีทุกคนนะเมย์เป็นคนกล้าและระห่ำอย่างนี้เสมอเขาเป็นคนเดียวที่พุ่งเข้าไปใกล้นั้นที่สุดใกล้กเกินกว่าระยะที่เรากำหนดไว้ก็เลยทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นนี่จะทาตามแผนในตรงที่กาหนดไว้ก่อน ตัวเขาเองก็จะไม่ต้องเคราะร้ายถึงขนาดนี้หรอกชา ย, ยันพึมพำพร้อมกับโครงศีรษะช้าๆมองดูแม่เพื่อนชมของเขาด้วยความเป็นห่วงและสมเพชยิ่งก็อีแบบนี้ล่ละครับที่พลอยพายคนอื่นเดือดร้อนได้รับอันตรายไปด้วยระพินพูดเสียงต่ำๆดารินหันขวับมาตาเขียวทันทีนี่อย่าทำเป็นคนใจดานักเลยในแพนคุณอะไรต่ออะไรก็ล้นดีสารพั แต่ในด้านวาจานี่ยใช้ไม่ได้เลยเวลาอื่นก็เว้นไว้ซะเถอะแต่นี่คนกําลังเจ็บจะตายอ่ะจะตายหรือไม่ตายยังไม่รู้เลยก็อย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยยิ่งจะว่าเขาได้ลงคออีกเหรอเมรอาตัวอย่างหวุดหวิดก็เพราะคุณเสียงเข้ามาช่วยไว้ได้ทันการก็ขอให้มันเป็นบุญคุณนะเขาระลึกถึงจะดีกว่าที่จะให้บุญคุณต้องหมดสิ้นไปเพราะสันดานกระด้างไม่รู้จักถนอมน้ําใจคนบ้างแบบเนี้ยคนน้ําใจดีแต่ปากเสียนี่ มันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกจะบอกให้นี่คือธาตุแท้ของดารินวราฤทธิ์และนี่คือความงามน้ําใจที่เหนือกว่าคาวงามใดๆทั้งปวงซึ่งรพินไพรวันมองเห็นแม้ว่าจะเป็นการมองเห็นด้วยการที่ตนเองถูกตอกหน้าเอาอย่างแรงมันพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยว่าราชสกุลสาวแม้จะมีเรื่องระหองระแหงปีนเกลียวกินเหลี่ยมกับแม่เพื่อนสาวต่างผิวมาตลอดเวลาเช่นไรก็ตามโดยแท้ที่จริงแล้ว หล่อนไม่มีอกติอะไรกับมเรียทั้งสิ้นน้ำใจส่วนลึกเต็มไปได้วยความห่วงใยและปราณีเสมอเขาไม่โต้อตอบอะไรเมื่อรู้สึกว่าหล่อนขวางในคำพูดของตนว่ารอฮือฮแล้วก็เดินผะถอยห่างออกมาเสียซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สางปลาห่อเริ่ดนำหน้าพักพวกมาถึงพร้อมกับขีบหอเวชพันธ์ ระหว่างที่คนเหล่านั้นกำลังเอาใจใส่อยู่กับการแก้ไขเยียวยามาเรียจนสุดฝีมือแพทย์มือเกียรตินิยมประจำคณะพรานใหญ่เดินกระโผลกระเพลกข้ามาหยุดยืนพิจารณาซาของไอ้มหายักษโลกล้านปีอยู่ใกล้ๆคนเดียวในสมองของเขามืนตื้อวกวนไปหมดไม่อยากจะเชื่อว่าเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้มันจะเป็นเหตุการณ์แท้จริงที่เผชิญอยู่ซึ่งซึ่งหน้าในที่สุดมันก็ลงมาพบกับวาระสุดท้ายเข้าจนได้ ไม่ได้จากน้ำมือของเขาหรือของแง่ทรายแต่ด้วยมือของฟันโทม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริ์สุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าคณะซึ่งไม่มีใครคาดฝันล่วงหน้าพะวังถูกปลุกเมื่อรู้สึกว่าจะมีใครคนหนึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังหันมาก็พบสีหน้าเยียบเย็นตายด้านชนิดอ่านความรู้สึกไม่ได้ของแง่ทรายกาลังมองอยู่ที่ซากภูเขานั้นเช่นกันต่างฝ่ายต่างมองตากันเงียบ ทำไมแกไม่ยิงธนูด้วยมือแกเองฮะผมต้องการให้นายใหญ่เป็นผู้สังหารมันฉันรู้ว่าแกต้องการให้เกียรตินายใหญ่ต้องการให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองสำหรับการเป็นผู้นำคณะของเขาแต่เป็นการตัดสินใจที่ท้าทายคำสั่งของฉันและอยู่ในความประมาทมากผมประมาทอะไรหรือผู้ ก, กองแตจะเชือ่อรู้ได้ยังไงล่ะวานายใหญ่สามารถจะยิงธนูติดระเบิดยังได้ผล ถ้าพลาดผลเสียมันก็จะเกิดขึ้นแทนที่ไอ้ยักษ์นั่นจะตายตัวนายใหญ่ตัวแกเองหรือพวกเราคนอื่นๆ อ, อาจพินาศไปเพราะระเบิดก็ได้เงยสายยิ้มน้อยๆผู้อกองครับผมคิดว่าผมรู้จักนายใหญ่ดีนะครับนายใหญ่เป็นคนมีฝีมือมีสติสัมปชัญญะและปณิธานความมุ่ง ม, มั่นที่แนว่วแน่สิ่งเหล่านี้เมื่อมาประกอบกันเข้า จะช่วยเขาทำอะไรสำเร็จลุล่วงไปได้เสมอหากเขามีเจตนาแท้จริงที่จะกระทำขณะนั้นนะ่ะผมเห็นแล้วว่าไอ้ยักษ์ตาบอดหมดทั้งสองข้างโดยมือของผู้กองมันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนักในการที่จะให้ในายใหญ่ยิงธนูไปประหารมันในายใหญ่ยิงธนูได้ดีทีเดียวผู้กองนี่เมื่อไหร่ฉันถึงจะพ้นหน้าลีกห่างไอ้คนฉลาดลึกอย่างมหาวายร้ายอย่างแกได้สัทีนะาแงใสรอยยิ้มนั้น เผยกว้างออกไปอีกทำให้ใบหน้าประดุดรอด้วยสำริจสุขใสขึ้นยกมือขึ้นชี้ข้ามทิวเขาสูงไปยังทิศเหนือเสียงลึกกังวานตอบมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าอีกไม่นานหรอกครับผู้กองรบพินไกโพ้นเบื้องโนนมรกฎนครไอคนที่ผู้กองทั้งเกลียดทั้งรักผู้นี้จะไปฝังวิ ญ, ญญาณอยู่ที่นั่นเราคงจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้ว เมื่อถึงคราวที่เราจะต้องแยกจากกันณนะที่นั้นกล่าวจบเจ้าเ ก, กรเรียงโฉมงามผู้ลึกลับก็ก้มศีรษะให้เขาอย่างกึ่งสุภาพกึ่งไว้ตัวพร้อมกับหมุนกายเดินกลับจากไปเงียบๆจอมพรานตื่นจากพวังในคำพูดอันแฝงไว้ด้วยปริศนาลึกของแง่ทายอีกครั้งเมื่อเชษาเดินตรงเข้ามาด้วยรอยยิ้มอาการของท่านหัวหน้าคณะคลายกังวลลงแล้ว ไม่รู้สึกตัวและปลอดภัยแล้วละระพินแต่ก็สบักสบอมพอดูเขายินดีมากที่รู้ว่าเราค้นไอ้ยักษ์ลงได้และฝากขอบคุณคุณที่ช่วยเขาไว้ได้อย่างวุดหวิดในตอนคับขันขีดสุดอาการ ท, ทั่วไปเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมเป็นห่วงเรื่องระยะเวลาอันจำกัดของเราที่จะต้องรีบเดินทางโดยหยุดพักเสียเวลาไม่ได้อีกแล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกเจ้าตัวเองและน้อยก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางต่อได้ทันที เชิดาเล่าอย่างเข้าใจเจตนาของเขาเข้ามาโอบไหลกอดไว้เอ่ยต่อมาว่านี่จะไม่เข้าเยี่ยมเขาหน่อยเลย อ, อีกสักครู่ก็ได้ครับให้เป็นหน้าที่ของหมอก่อนดีกว่าแล้วพลานใหญ่ก็มองซ่า ข, ของไทรนโนซอรัสกับหน้าของเชิฐาสลับกันอยู่เช่นนั้นพลานยิ้มออกมานิดหนึ่งแทนความหมายแห่งคําพูดทั้งหมดโดยไม่จําเป็นต้องกลา่าสรรเสริญยกย่องใดใทั้งสิน้นอดีตท่านทูตทหารบกหันไปมองตาม และถอนใจลึกหมดเวรหมดกรรมกันสักทีต่อไปนี้ขนทางคงจะเปิดสะดวกสำหรับเราแล้วนะผมเชื่อมั่นเช่นนั้นและเชฐาถาพึงพมกล่าวขมาโทษอาโหสิ ก, กรรมให้กระเจ้าสัตว์ใหญ่ที่จองเวรสกัดขัดขวางการเดินทางมาตลอดระยะบัดนี้บนท้องฟ้าเหนือซากไทร่นแรงใหญ่ตัวนั้นบินว่อนเวียนอยู่ในระยะสูงถูกแล้ว มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความมรณะแล้วก็ได้ประจักษ์กันออกไปเดี๋ยวนี้เองว่ามรณะการที่เกาะกุมอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นของเจ้าสัตว์โลกลานปีตนนั้นหาใช่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งดวงชะตาแข็งกว่าไม่ต่างนิ่งกันไปครู่ใหญ่ระหว่างแง้มมองแรงตัวนั้นทั้งระพินและเชษฐามีสีหน้าแช่มชื่นเต็ ม, มไปด้วยความหวังเพิ่มขึ้นมันเหมือนกระ บ, บอกให้ทราบว่าโชคชัยเป็นของเราแล้ว ในความพินนาตของไอ้ยักษ์ตนนี้ในที่สุดสวรรค์ก็เข้าข้างเราจนได้ผมก็นึกไว้ก่อนแล้วเช่นกันว่าถ้าเราจะถึงวาระสุดท้ายกันทั้งหมดอันหมายถึงแผนเดินทางสะดุดชะงักก็เพราะไอ้ยักษ์นี่แหละแต่เมื่อผ่านมันได้แล้วเช่นนี้ความสำเร็จผลก็ควรจะเป็นของเราระพินประสานสายตากับเชษฐายิ้มให้น่าขอบคุณต่อเหตุการณ์ที่ทาให้คุณชายวางแผนได้อย่างถูกต้องนะ เดีวขารวมมาทางฝ่ายผมกาบแง่สายด้วยถ้าลำพังมีผมกับแง่สายเพียงสองคนและโดยเหตุการณ์วิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็ยังไม่แน่นักหรอกว่าเราจะเป็นฝ่ายย่อยยับหรือเปล่าเพราะผมมีความจําเป็นที่จะต้องแยกห่างจากแง่รายออกไปและแง่สายคนเดียวก็คงจะยิงธนูไม่ทันการแนะ่เช็ดเาหัวเราะเบาๆด้วยความเป็นสุขผมก็เกรงอยู่ในข้อนี้แหละถึงได้ขอร่วมมาด้วยอีกคนหนึ่ง ตลอดเวลาคุณกับแงซายร่วมทีมกันเพียงสองคนเท่านั้นและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นหลายครั้งและที่ต้องพลาดโอกาสไปคนยิงกับคนจุดสายชนวนมิอันเป็นไปให้ต้องพลาดพลาดแยกจากกันไปคนละทางเสมอเมื่อเวลาสำคัญมาถึงและท่านหัวหน้าคณะก็เล่าให้เขาฟังอย่างละเอียดว่าเหตุการ์มันเกิดขึ้นยังไงในตอนฉุกเฉินขีดสุดภายหลังจากระพินคว่ำหน้าหมดสติไปชั่วขณะแงซายนอน เขายัดเยียดธนูมาให้ผมพร้อมก็บอกให้ยิงตอนนั้นนะเหตุการณ์จำเป็นบังคับทำให้ผมคิดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเมื่อมันไม่ยิงผมก็ต้องยิงและสวรรค์ก็เข้าข้างเป็นพิเศษผมยังอดประหลาดใจไม่ได้จนเดี๋ยวนี้นะว่าตอนนั้นทำไมผมถึงยิงธนูได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ผลทั้งสองลูกมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่แท้เจ้คุณชายถามแง่ายหรื อ, อยังล่ะครับว่าทาไมมันถึงไม่ยิงด้วยตัวเอง เชิดฐาของหัวเราะอยู่เช่นเดิมถ่าทางท่านหัวหน้าคณะไม่ได้เฉลียวใจคิดอะไรทั้งสิน้นตอบว่าถามมนแล้วมันบอกว่าข้อมือข้างซ้ายของมันเคล็ดตั้งแต่วานนี้แล้วแต่มันไม่กล้าบอกให้คุณทราบผมเองก็ไม่รู้จนกระทั่งมันบอกภายหลังจากที่ผมถานมนี่แหละก็ดีไปยังที่มันไม่ฝืนยิงทั้งๆที่ข้อมือเคล็ดเพราะอาจจะทําให้พลาดได้โชคดีมากนะที่ผมอยู่กับมันด้วยในขณะนั้น แง่าซายน่ะเหระข้อมือเคล็ดคนที่เท่าทันอยู่แล้วในทุกด้านหัวร้อ ห, อ, ห อ, อยู่ในใจก็ยังดีอยู่รอกที่เขากระมันไม่ได้กล่าวความเท็จอำพรางที่กับเขามันไม่ได้กล่าวความเท็จอำพรางหากแต่บอกตามตรงว่ามีเจตนาที่จะให้เชษฐายิงธนูสังหารไอ้ยักษ์ด้วยมือเองและมันก็ฉลาดล้ำที่จะหาเรื่องกล่าวแก้ตัวกับเชษฐาไปอีกอย่างนึงเพื่อให้เกิดความดีงามในด้านความรู้สึก ของท่านหัวหน้าคณะขึ้นและกีดกันตัวเองให้ออกไปพ้นข้อกังขาแคลงใจของเชษฐาลึกลงไปกว่านั้นคนอย่างแงซายอาจเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องง่ายได้เกินไปในการที่จะปล่อยธนูระเบิดไปสังหารเจ้าสัตาบอดตนนั้นแล้วก็เลยโยนภาระไปให้นายจ้างเสะทำไมระพินไรวันจะไม่รู้เท่าทัานทั้งสองชวนกันย้อนกลับมาที่คณะทั้งหมด ซึ่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่มาเรียคนที่เคราะห์ร้ายและเจ็บมากกว่าเพื่อนบัดนี้นอนเย็ดยาวอยู่กับพื้นผ้าปูมีย่้าหลังหลายใบหนุนศีรษะสูงตาสีดอกผักตบทั้งคู่เปิดขึ้นแล้วเต็มไปด้วยแววอิดโรยอ่อนเพรียและเหม่อลอยเสื้อที่ขาดจนไม่สามารถจะสวมได้อีกต่อไปถูกเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเสื้อของหมอดารินซึ่งมีสำรองอยู่หลายชุดศีรษะถูกพันไว้ด้วยผ้าพันแผลหนา พอมองเห็นหน้าพรานใหญ่ก็พยายามจะยิ้มให้แตลอดทั้งใบหน้างามมีรอยแตกและพกช้ดำดําเขียวไปหมดเพราะถูกกระแทกกับหินฉันอยากตายเหมือนกันนะไพะวันจอมพรานยิ้มตอบไม่มีใครอยากให้คุณตายหรอกเมแล้วผมก็เกือบตายเพราะการที่พยายามช่วยเมยคุณตายอะฉันรู้แล้วหลายคนเล่าฉันฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดภายหลังจากที่ฉันสลบไป คุณไม่เป็นอะไรมากไม่ใช่เหรอหมอดูดวงชะตาผมไวนานแล้วล่ะบอกว่าถ้าจะตายก็จะตายบนเสือ่อมีหลังคาบางังตายเพราะเป็นไข้าตายไม่ใช่เพราะอุปัมวาเหตุหรือการปองร้ายไม่ว่าจะจากคนหรือสัตว์ทุกคนหัวเราะเพราะนานๆจะเห็นอารมณ์ขันจากระพินสักทีหนึ่งแม้แต่คนเจ็บเองหลอนหัวเราะจนรอยบวมเป่งที่แก้มและริมฝีปากตึงจนต้องยกมือกลุมและร้องครางไปพลัง หมอดารีในชั้นพักในครึ่งวันของวันนี้กับอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้เขาบางขังคับให้ฉันเดินต่อล้วแล้วลยังไงไหวไหมถึงไม่ไหวก็ต้องไหวอยู่ดีนั่นแหละแม่มสาวตอบอย่างไม่หวั่นระยอตามนิสัยทรหดขาดใจแต่ฉันไม่ชอบเลยนะเขาเล่นโดบฉันด้วยมอฟีนฉันยิงติดอะไรง่ายๆซะด้วยนะไม่เป็นไรห ร, รอกติดมอฟีนนมันยังดีกว่าติดเพนิสเอ่อซิลิน ชยันพูดหน้าตาเฉยแกล่งหลากเสียงยาวที่คำลงท้ายโดยเติมเสียงเอสเข้าไปยังตัวที่ไม่ควรจะเติมมาเรียาอาจจะมีประสาทหูที่มึนชาเกินกว่าที่จะจับหางเสียงทันแต่หมอดารินรอ้องอุทานอะไรออกมาคำหนึง่งตบชาดเข้าไปเต็มเหนียวที่หัวไหล่ของอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ขนองปากจนสีสาเทบตําระหวดแหลมมันเป็นภาษาไทยว่าบ้าหยาบคายใหญ่แล้วชยันนี่ เชิฐาพยายามวางหน้าเคร่งขรึมจุปากห้ามเบาๆสุนรัรพินกรแงซายหันหน้าเบือนออกไปทางอื่นแทบจะปล่อยก้ากออกมางอหายมาเรียนหน้าตื่นถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหนอน้อยดารินคอนชัยยันจนตาคว่ำหน้าแดงกำ่ำแล้วหันมาฝืนยิ้มให้คนจ็บเปล่ารักเม่จะไปสนใจอะไรเลยนอนพักเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงด้วยดีแล้ว วันนี้ฉันขอสั่งการเองโดยเหตุผลทางการแพทย์ว่าเราทั้งหมดควรจะตั้งแคมป์อยู่ที่นี่และพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงก็ค่อยว่ากันต่อขอให้ฉันลุกขึ้นหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่ะฉันอยากจะไปดูที่ซากไอ้ยักษ์นั่นการซากทรัคโคดอนอย่าดีกว่าเมหน้าที่ของเธอตอนนี้คือนอนพักนิ่งๆให้มากที่สุดอ่ะนอนดิอย่าขัดคาสั่งมาเรียฮอฟมัน ถอนใจยาวปิดเปลือกตาลงโดยดีชยันบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำคอไม่เข้าหน้าดารินอีกเดินเลี่ยงไปคุยกับตาบุญคำและกลุ่มพรานพื้นเมืองของระพินชะเช็ดถาหาหรือกับพรานใหญ่เรื่องแผนคืบหน้าและต่างก็เห็นด้วยกับเหตุผลของหมอดารินว่าสำหรับเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกร่วมครึ่งวันก่อนตะวันตกดินนี้ไม่สมควรจะเคลื่อนย้ายไปไหนอีกทั้งสิน้น นอกจากจะวางแคมป์ลงตรงบริเวณใกล้าปากทางช่องเขาขาดนี่ก่อนเพื่อมาเรียรได้พักฟืน้นทุกคนเริ่มแจม่มใสเต็มไปด้วยขวัญและกำลังใจอันเต็มเปี่ยมอีกครั้งภายหลังจากพิชิตอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ลงได้สำเร็จที่ผลและคณะพักทุกคนยังพร้อมหน้ากันอยู่ครบทีมโดยไม่มีใครได้รับอันตรายจนถึงชีวิตพวกพันพื้นเมืองเริ่มพูดจาตลกขนองและหยอกล้อ ก, กันได้อีกครั้ง ราเริงสนุกสนานระหว่างช่วยกันจัดที่นอนให้หลังจากจัดที่ทางเตรียมพร้อมสำหรับแรมคืนเสร็จเรียบร้อยระพินก็ชวนเชิดทาและแง่ทรายออกเดินผ่านช่องเขาเพื่อสำรวจล่วงหน้าไปยังอีกฝากหนึ่งเพราะเห็นว่าเวลายังเหลืออยู่อีกหลายชั่วโมงก่อนค่ำ